หลับตาแล้วก็ดูลมหลับตาแล้วดูลมแล้วกาแฟมันก็ล่องลอยไปล่องลอยมาอยู่ในหัวมันก็เห็นว่าสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราได้ยินมันก็วิ่งเข้าไปในใจเราเป็นสิ่งที่ใจเราเปไปคล้องไปแวะหรือไปยึดติด ถ้เราคอยหมั่นสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆคอยหมั่นดูใจเราเรื่อยๆคอยพัฒนาให้สติเราย้อนกลับมาในภายในเห็นใจเราได้บ่อยๆเราก็จะค่อยๆเห็นแล้วว่าใจเรามันเป็นยังไงใจเรา มีพฤติกรรมยังไงแต่การที่เราไม่ได้มีการฝึกหัดไม่ได้การไม่ได้มีการฝึกสติเราก็จะขาดขาดเครื่องมือที่จะเห็นใจได้อย่างทันท่วงทีคือไม่ใช่ว่าไม่เห็นแต่นานๆจะเห็นสัติหนึ่ง อารมณ์ในใจของเรามันก็คล้ายๆกับต้นไม้มันก็เติบโตได้จากแค่เป็นความไม่ชอบก็ทํามากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นความขัดเคืองความขัดเคืองเปลี่ยนไปเป็นความความโกรธโกรธมากๆ ก, ก็เป็นพยายบาทมันล้นออกมาจากทางความรู้สึก มันก็ทักออกมาเป็นการกระทาเหล่า น, นี้เพราะมันเป็นการผูกพยาบาทเนี้ยก็แก้กันยากยิงผูกแน่นมันก็ยิงแก้ยากในความยินดีพอใจมันก็เช่นเดียวกันน่ะมันก็เปลี่ยนจากความเป็นยินดีความพอใจก็พัฒนาไปเป็นความอะไร ความรักความยึดติดความยึดถือเหล่านี้ซึ่งกันที่เรามาเห็นอารมณ์ที่มันกระทบใจแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ที่ใหญ่ๆหเหมือนกันผูกพยาบาทความโกรธเหล่านี้มันก็บริหารจัดการยากแต่ถ้าเกิดเราหมั่นสังเกต ฝึกสติให้สังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็รู้เท่าทันใจเราดีขึ้นรู้เท่าทันว่าขณะนี้สิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ฟังมันมีผลกระทบต่อใจของเราอย่างไงทำให้ใจเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงจากการที่เราตั้งสติเอาไว้ที่ร่อหายใจมีความตั้งมั่นอยู่ในภายใน แล้วเวลาที่เราเห็นเวลาที่เราได้ยินเวลาที่เรารู้สึกทางกายใจของเรามันเปลี่ยนแปลงจากตรงเนี้ยไปยังไงบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้มีแก่ใจที่จะตั้งสติเอาไว้มันก็ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเรามีแก่ใจคอยหมั่นฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกจนรเริ่มเป็นนิสัยที่ เวลาเราไม่ได้ทําอะไรจริงๆ จ, จ, จังๆเราก็อยู่กับลมหายใจมีสติคอยเฝ้าดูจิตใจของเรางั้นก็ต้องทําให้มันเป็นนิสัยนี่แหละเราทําเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเห็นเล็กๆน้อยๆของใจของเราว่าแม้ว่า เรื่องมันจะดูไม่สำคัญสำคัญอะไรเท่าไหร่นยแต่มันก็มีผลผลต่อจิตใจของเรามีผลทำให้มันเคลื่อนออกจากฐานของความสงบของเราออกไปยินดีบ้างออกไปยินร้ายบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฝึกจนค่ อ, คอยๆปรับมันให้มันกลมกลืนไปกับ การดำเนินชีวิตประจําวันของเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คนที่หาเวลามานั่งหาเวลาไปเข้าคอร์สอย่างเดียวไม่ใช่แต่คนที่เขาปฏิบัติรธรรมได้อย่างจริงจังปฏิบัติมีแก่ใจทําได้อย่างจริงจัง เขาก็ไม่รอที่จะมีเวลาสำหรับธรรมะแค่มานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมันไม่สำคัญก็สำคัญเห็นแต่ ว, ว่าในระยะเวลา24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราใช้มันไปในสัด ส, ส่วนยังไงบ้าง มีสัดส่วนที่เราจะมีสติที่มันเป็นสัมมาสติกี่เปอร์เซนต์เราก็เป็นเปอร์เซนต์ที่มันไม่ใช่สัมมาสติกี่เปอร์เซนต์เขาก็วัดกันตรงนี้ซึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมอยากที่จะตั้งหน้าตั้งตาพ้นทุกเนี่ย mm. เขาก็คอยส่องใจไป อ, อยู่เรื่อย เรานั้นสัดส่วนของสัมมาสติมันก็จะเกิดขึ้นได้ดีซึ่งสัมมาสติเนี่ยเราก็ฝึกหัดกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการที่เรามาดูลมหายใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจก็ดีหรือใครจะบริกรรมพุทโธก็ดีมันก็เป็นวิธีการที่เราจะฝึกสติของเราเลย หรือถ้าจะไม่ดูพุทโธไม่ได้ดูลมหายใจคำบริกรรมอะไรก็ได้ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขขอสัตว์ทั้งปวงจนพ้นทุกข์มันก็ได้ทั้งนั้นแหละคือ ท, ทำให้ใจของเรามันเป็นกุศลนะไม่ให้มันเจือไปด้วยโลภะโทสะโมหะรักขัมมันก็จะทำให้เรา ได้ย้อนกลับเข้ามาในภายในย้อนกลับเข้ามาดูแลจิตใจแต่ความเคยชินความคุ้นชินในแบบเก่าๆเนี่ยมันก็พยายามที่จะดึงใจเราออกไปให้มันไปยุ่งกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เลยหรือถ้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ หลบเข้าไปในความคิดอยู่คนเดียวก็คิดไปหน่นคิดไปนี่คิดไปนั่นคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องที่เราพอใจบ้างเรื่องที่เราไม่พอใจบ้างก็หลงเข้าไปในโลกของความคิดแต่ถ้าเราเป็นผู้ฝึกหัด เป็นผู้มุ่งหน้าต่อการปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นทุกข์เราก็จะไม่ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันหลงเข้าไปในโลกของความคิดแบบเก่าๆแล้วการที่เราหลงไปในโลกของความคิดแบบเก่าๆมันก็เป็นไปเพื่อที่จะทําให้ใจเรามีความยึดติดมากขึ้นมีความโลภโกรธโกรงที่มัน เพลินไปในลบกดหลงเหล่านั้นเพลินไปในการมัคุณบ้า ง, างนี่แต่พอเรามาฝึกสติอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะคอยระมัดระวังไม่ให้ใจเรามันหลงเข้าไปในโลกของความคิดในแบบเก่าๆที่มันเจือปนด้วยโลภะลุทธสาโ ม, มหะาระาคะเราก็จะคอยดึงมันกลับมารักษาใจให้ห่างไกล จากคำว่าโลภโทสะโมหะราคะเป็นใจที่อยู่กับความเป็นกลางได้อย่างต่อเ น, นื่องมีความสงบใจอยู่ในภายในเป็นโลกอีกใบหนึ่งเป็นโลกของจิตใจของเราซึ่งจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนมันก็เป็น เป็นของใครขอ ง, ของมันน่ะนะสองกันก็มาดูออกมาออกควักออกมาให้ดูกันก็ไม่ได้แต่เราก็รู้สึกได้ด้วยใจของเราเนี่แหละแลเวลาที่เราพยายามรักษาจิตใจของเราให้เป็นกุศลอยู่เรื่อยๆพยายามบ่มนิสัยให้ใจเราคุ้นชินที่จะอยู่กับจิตที่มันเป็นกุศลอยู่เรื่อย ๆ, ๆยก็ไม่มีใครมารู้กับเรา ไม่ใช่เฉพาะรักษาแต่ตอนที่เรามันนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่ตอนที่เราต้องทํางานต้องคลุกคลีด้วยโมนี่แหละอันนี้แหละมันเป็นเวลาจริงจงจังๆที่เราจะต้องนำที่เราฝึกที่เราปฏิบัตินะมาใช้มาใช้อะไรมาใช้เพื่อริจจ์พยายามรักษาใจใหายใจ ไม่ออกไปข้างนอกให้ใจยังตั้งมั่นอยู่ในภายในเวลาที่ใจเราตั้งมั่นอยู่ในภายในได้อย่างดีเวลาที่เราพุกคลีด้วยหมูเนี่ยมันก็ไม่ไหลออกไปง่ายแบบเก่าใจเราก็ยังสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับความยินดีความยินร้ายที่มันจะมากระทบใจเราจากภายนอก เราก็จะรักษาใจอย่างนี้แหละมันก็บนพื้นฐานกันที่เรามีแก่จใจเรามีสติที่เราจะคอยคุ้มครองใจของเราจิตตัง้งดันตัง้งสุขค่าห่างและจิตที่ฝึกดีแล้ว น, นาสุขมาให้อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ซึ่งมันจริงไหมมันจริงสินัานที่เราดูแลจิตใจ ฝึกให้ใจของเราคุ้นชินกับการเป็นกุศลแล้วก็พัฒนามันจนให้มันเข้าใจฝึกให้มันเข้าใจเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีสิ่งไหนเที่ยงมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ มันเป็นทุกมันก็คือพูดง่ายเป็นของที่มันควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้มันเสมือนจะควบคุมได้แต่มันควบคุมไม่ได้เต็มร้อยมันก็คือควบคุมไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามฝึกจิตต่างดันตฝึกใจยังไงก็ฝึกใจให้มันคล้อยไป ให้มันเห็นให้มันเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีสาระแก่นสารมันเป็นของที่นำความทุกข์มาให้ในท้ายที่สุดแลวมันก็เป็นสิ่งที่เรากลุ้มไม่ได้พอใจเราค่อยๆ ค, คล้อยตามไปกับสามัญลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเป็นคนที่ ไม่จิดจา้าเท่าเก่าอ่ะทำไมเรามันถึงจิดจา้าเพราะว่ามันมีความเป็นของเรามีความเป็นตัวเราเหมือนเรามีสตางอยู่ในกระเป๋าตังค์แค่หลักร้อยเนี่ยห้ารอยพันหนึ่งยหายก็รู้สึกวนกินแล้ะเฮ้ยหายไไหนแต่พอพอเราไปดูในทีวีนี่โอ้ยคนนั้นลืมตังค์บนแท็กซี่3าแสนห้า ล้วก็เฉยๆแต่ว่ามันเป็นตังของเราหายต่นนั้นแหละจิตจาดขึ้นมาในจิตใจทันทีทำไมเงินจำนวนมากถึงไม่กระทบกระตือ น, นจิตใจเพราะมันไม่มีคำว่าเราไปแปะเอาไว้พอมันมีคำว่าของเราแปะเอาไว้เนี่ยมันกระทบขึ้นมาใน ใ, นใจของเราได้เลย กันการที่เราเห็นว่ามันมีสัตว์มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆหรือเปล่าคอยตั้งคาถามที่เราเห็นเียเราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาหรือเปล่าหรือเราเห็นไม่ใช่ตายเห็นอันนี้คือเห็นด้วยอะไร ด้วยความรู้เห็นด้วยความรู้เป็นยังไงก็เหมือนกับพอรู้จึงเห็นแล้วรู้เห็นเป็นยังไง ร, รู้เห็นก็เหมือนกับว่าคนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกองกรนอันนี้ เราไปไหนมาไหนนี่พอเรารู้ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเราก็เรียกทนายกถทนายยศันายกเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเราก็ hometown, าจึงเห็นว่าเขาเป็นนายกเน่แต่ถ้าเกิดคนไม่รู้นี่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นนายกใช่ไหเพราะเขาไม่รู้เขาก็จึงไม่เห็นความเป็นนายกของคนคนนี้เพราะฉะนั้นความรู้พอรู้แล้วก็จึงเห็นน ก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าเราก็ต้องมารู้เห็นตามความเป็นจริงคือให้ใจมันรู้มันจึงจะได้เห็นตามความเป็นจริงได้เห็นที่ใจไม่ได้เห็นที่ความคิดนั้นการที่เรามีความสงบใจเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็อย่าให้มันหยุดอยู่แค่นี้เราก็ ออกมาพิจารณาในแบบที่พระพุทธเจ้านีท่านวางแนวไว้ให้เวลาที่เรามีความสงบแล้วนี่ก็นี่ตั้งคําถามกันมันสิตั้งคําถามกับใจของเราว่าสิ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยว่าไอ้ร่างกายอันนี้เนี่ยมันกําลังมีลมเข้ามีลมออกอยู่อย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าเออมันก็เป็นอันหนึ่งตังค์หา ไอ้ความเป็นเรามันชัดๆก็คือไอ้ความรู้สึกที่เห็นลมเข้าเห็นลมออกอเราเห็นแค่นี้นไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นกายของเรามันลดลงไประดับหนึ่งแล้วเห็นว่ามันต่างหากจากความรู้สึกอันนึงแต่ถ้าเรามองให้มันละเอียดพิจารณาให้มันละเอียดข้นไปอีก ภายใต้ผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยเป็นยังไงเราก็ดูเข้าไปบป่อยๆไายใต้ผิวหนังมันเป็นยนังไงมันก็มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีน้ำเลืองมีน้ำหนองมีไส้ใหญ่ไส้น้อยมีตับปอดกระดูกเยอะแยะเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ เห็นกันมันก็ไม่ได้เห็นข้างไนันนเราก็ไปยามเห็นให้มันทั่วเลเห็นถึงข้างในเขาด้วยเห็นของเขาแล้วก็เห็นของเราไปด้วยบางครั้งมันก็ใช้การ น, นึกบางครั้งมันก็ใช้ความรู้สึกแต่สิ่งที่เราสำคัญคือ ไม่ว่าจะนึกก็ดีรู้สึกก็ดีมันต้องให้มันไปปรากฏเป็นความรู้สึกในใจไม่ใช่แค่เห็นเป็นภาพแต่ให้ใจมันรู้สึกถึงความเป็นจริงอันนั้นความเป็นจริงที่ว่าข้างในเนี่ยมันมีเลือดมีเนื้อมีกระดูมีไส้ใหญ่ม้ามตับปอดอะไรต่างๆเหล่านี้คิดคู่ไปด้วยก็ได้ แต่สำคัญก็ยางที่ว่าไปแล้วคือต้องพยายามให้ใจมันเข้าใจพยายามให้ใจมันรู้สึกได้ว่าจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้คือเราคิดถึงความจริงยังไงก็ได้แต่ถ้าใจเรามันยังค้างกับความเป็นจริงอยู่เนี่ยมันก็ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเหมือนการที่เราเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับการบอกต่อกันมาอยู่แล้วว่าคนเราทุกคนต้องตายดังนั้น ตายทังนั้นไม่ว่าเราก อ, อเราแม่เราพี่น้องเราตายหมดแะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาตายหมดนั่นแหละไม่มีใครเหลือที่บนโลกใบนี้แน่นอนแต่พอพูดถึงแบบนี้ปุเนี่ยสิ่งที่มันจะไปปรากฏก็คือว่าใจเราก็ไม่ได้รู้สึก อินไปกับความเป็นจริงแบบนี้ใจเราก็ยังเป็นยังอยากที่จะให้อยู่ยังอยากที่จะให้ดำรงอยู่ยังอยากที่จะให้อยู่อย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าใจเรารู้สึกอย่างนี้ใจเรามันบอกอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆสอนมันเอาจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะ หลที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องสุดท้ายเราดูข้างในนุ่ก็เหมือนกันนั่นแหละผู้ชายผู้หญิงดูไปมันก็ดูข้างในมันก็เหมือนการเป็นกองเลือดกองเนื้อกองกระดูมีกองน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองเอาไปเข้าเตาเผานี่แยกไม่ออกแหละว่าใครเป็นใครอันไหนเด็กอันไหนผู้ใหญ่อันไหนผู้ชายผู้หญิงแยกไม่ออกสักอย่างเหลือแค่กองที่เท่าทนั้นแหละ ไอกองคิดเท่านี้เนี่ยเราก็เอาใจถามใจเราดูว่าอีกองกองนี้ใจเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันก็ต้องรู้สึกได้คิดว่ามันก็เป็นกองคิดเท่ากองดินกองไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพี่เป็นน้องเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นญาติเราอีกต่อไปอ้าวทำไมมันเต้นอย่างนั้นอ่ะมันก็อันเดียวกันนะแสดงว่า อ้ความความเห็นความเห็นความเห็นแบบเก่าๆมันก็ไม่ถูกต้องสิของเดิมมันเป็นอย่างนี้แต่พอมาเป็นของเดิมน่ะแหละเราก็รู้สึกไปอีกย่างนทําทำไมไม่รู้สึกมันกับก็แสดงว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในความคิดในความเห็นของเรา ก็ค่อยๆเตือนมันให้มันเห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆอเราบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะเราเอาเอาไปเข้าเตาเผาให้มันยังเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ไหมอ่ามันก็ไม่มีแต่เราไม่ใช่ว่าจะไปบังคับว่าพอบอกให้มันพิจารณาแล้วมันจะต้องเข้าใจทันทีไม่ใช่เราก็มีหน้าที่คอยสะ ก, กิดมันอยู่เรื่อยๆคอยเตือนมันอยู่เรื่อยๆว่าอ้ายไม่ใช่นะ ไม่ใช่อย่างที่รู้สึกไม่ใช่อย่างที่เราคิดตราเห็นนะความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้เรากต้องมองสวนกับความเป็นจริงนะแต่ถ้าใจมันยังดือ้อมันยังไม่ยอมรับความเป็นจริงกับช่างมันไปก่อนค่อยๆเตือนมันบ่อยๆเตือนมันบ่อยๆไม่ใช่จะไปครูเก่งที่มันรู้ รู้เราก็ต้องเข้าใจไม่ใช่บอดมันจะเข้าใจมันก็เข้าใจของมันเรามีหน้าที่แค่ทําเหตุก็คือสอนมันบ่อยๆคุยกับมันบ่อยๆแต่การที่เราจะคุยกับมันบ่อยๆมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราเห็นมันบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าก็ต้องมีสติที่คอยเฝ้าดูรู้ใจของเราดูบ่อยๆดูเนึองเนืองอยู่เรื่อยๆ เห็นมันอยู่ตลอดตลอดอยู่เรื่อยเรืนั้นกับนังสติที่เราจะมาจดจ่อดูกายอันหนึ่งก็ทำงานของมันไปแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตใจเราไปด้วยอันนี้ก็จริงเป็นรุ้นที่สาคัญที่เราจะต้องทาให้ได้นะถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราอยากจะมีความทุกข์ลดลงเราอยากจะมีความสุขในภายในที่มันเพิ่มขึ้นต้องทาให้ได้ ต้องทำอะไรแต่มันก็ไม่ได้ยากเลยนะเราดูหนังเราดูทีวีเราดูโทรศัพท์มือถือเราก็ยังฟังเพื่อนคุยได้เราก็ยังกินข้าวไปด้วยได้มันทําได้ตั้งหลายอย่างพร้อมๆกัๆนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนจากการที่เราจะเอาใจออกไปในหลายๆเรื่องเราก็สลักออกมาสักเรื่องหนึ่งเอามาไว้ คอยสังเกตใจคอยสังเกตใจว่ามันเป็นยังไงคอยสังเกตในภายในว่าความคิดเราคิดอะไรคอยสังเกตใจว่ามันรู้สึกอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคือวิ่งพล่านไปทั่วคอยสังเกตนี้ก็ไม่ใช่เราก็ต้องเหมือนเราขึ้นไปบนเชิงเทินเราขึ้นไปบนเชิงเทินปึ๊บ เราก็ดูได้รอบๆแหละ ว, ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นความเป็นมาเป็นไปใครจะมาทางไหนใครจะเข้าทางไหนอะไรเงี้ยเราก็เห็นใช่ไหมแต่เราไมา่ได้วิ่งไปประตูทิศตะวันตกทีหนึ่งประตูทิศตะวันออกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับไปทางทิศเหนือดูอะไรเยไม่ใช่เราก็ขึ้นไปอยู่บนเชิงเทิ น, เ, เ, นเราก็เห็นหมดชั้นได้ชั้นนั้นเนี่ยเราก็เอาใจของเราหนึ่งมาตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ตั้งความใส่ใจเอาไว้ที่ลมหายใจเราก็จะเห็นมันทั่วเลยแหละรู้เท่ารู้ทันจิตใจของเราที่ตรงนี้แหละว่ามันคิดอะไรมันคิดอะไรมันรู้สึกอะไรมันยึดติดอะไรมันปล่อยวางอะไรเราก็สังเกตได้จากตรงนี้ไม่ต้องไปวิ่งบุญให้มันเหนื่อยเหมือนกับมันกระทหานะที่ไม่รู้ว่าว่า เฮ้เราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเฝ้ามองเราจะไปเฝ้ามองให้มันให้มันดีมันมีประสิทธิภาพเนี่ยบางคนไม่รู้ก็วิ่งไปประตูนั้นทีนึงประตูนี้ทีหนึ่งก็ยิ่งมีหลายประตูเหนื่อยถ้าคนฉลาดก็ก็นี่เลยขึ้นไปบนหอคอยเนี่ยพื่อเชิงเทินนี่แล้วก็ส่องทีเดียวเลยทีนี่มีอะไรเขาแค่แ ค, แคส่งสัญญาณกลับไปข้างล่างคอยแจ้งเตือนมีเหตุอะไร ไฟไหม่ตรงไหนมี่าสิทธมาจากทิศไหนมันก็ทำ ง, งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เหนืน่อยดันกที่เรามีสติที่เราคอยเฝ้าดูรู้ใจก็จึงเป็นพื้นฐานสำคัญคือยังไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่าเราจะปล่อยวางอะไรยังไงรนะทำมันเราสร้างบ้านะ ยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องตกแต่งหรอกเราก็ทําตอกเสาเข็มมันดีก่อนตอกเสาเข็มเราก็อัดดินให้มันดีทำพื้นฐางรากให้มันดีถ้าพื้นฐานของเรามไม่ดีดินมันไม่ไม่ดินมันอ่อนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ตอกเสาเข็มดีๆอยู่ๆไปสักพั ก, บ, กบ้านก็สไลด์ดินสไลด์บ้านกรพังฉะนั้นกันที่ เราจะได้บ้านที่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันก็มาจากการที่เรามีฐานรากของบ้านที่มันแข็งแรงมั่นคงการที่เราจะมีความรู้ความเห็นที่เราจะไปเข้าใจความเป็นจริงที่เราจะปล่อยวางที่เราจะเอามาจัด ก, การความทุกข์ให้มันออกไปจากใจของเราออกไปจากชีวิตของเรา มันก็บนพื้นฐานของการที่เรามีสติที่เราจะเห็นใจนี่แหละให้มันเห็นได้บ่อยเห็นได้ทีเห็นได้รวดเร็วเห็นเต้าทันเต้ดีมีประสิทธิภาพขนาดไห น, นการที่เรามานั่งฝึกอย่างนี้มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีที่เราจะได้เอาไปต่อยอดเอาไปใช้ในชีวิตประจวาวัน เอาไปใช้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับใจิตใจของตัวเราว่าอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขว่าอะไรเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์แล้วก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราจะได้รู้จักตัวเองได้คุยกับตัวเองได้รู้จักได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละฝึกใชํานฝึกในฌาน พอเราส่หบแล้วก็ต้องคุยกับตัวเองด้วยคุยไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็คุยอันนี้มันกายเราจริงไหมมันสวยงามจริงไหมพระเจ้าบอกว่ามันเป็นของปฏิกูลอมัน่ะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็คอยดูแต่พอเราเอามันมาใช้งานมาพิจารณามาคุยกับมันแล้วแล้วมันมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันฟุ้งซ่านเราก็ย้อนกลับมาที่ลมหายใจ มันกลับมาทำความสงบให้มันเกิดขึ้นพอสงบแล้วก็กลับไปทำงานใหม่มันก็เหมือนมันเราทำงานนี่แหละเราก็ไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงเราก็ยังมีเวลาพักกลางวันแล้วก็เลิกงานตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ทำงานใหม่เราก็ยังมีทั้งเวลาพักต้องทานข้าวพักผ่อนนอนหลับใจเรามันก็เหมือนกัน กาที่เราเข้าสมาธิเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวมีอารมณ์อันเดียวมันก็เหมือนการที่เราได้พักผ่อนได้รับปรานอาหารแต่ไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่เราก็ต้องคอยหมั่นคุยกับมันทาความเข้าใจสอนมันให้มันค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงให้มันมากขึ้น